เสียงอ่านหนังสือวิธีทาบุญแก้กรรมเรียบเรียงโดยโจโฉทำบุญแก้กรรมทำไมทำดีมากมายแต่ชีวิตยังมีแต่ปัญหาเรียนรู้เพื่อชีวิตที่จเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมภายในชาตินี้หัวข้อหลักแก้กรรมได้จริงหรอหลักสำคัญในการแก้กรรมเสริมดวงแก้กรรมให้ตนเอง กรรมกับความรักกรรมด้านวาจารกรรมเรื่องสับสนทางเพศกรรมกับยาเสพติดและวิธีเลิกวิธีโปรแก ร, รมจิตเพื่อเลิกบุหรีบทสรุปวิธีทาบุญแก้กรรมแก้กรรมเป็นคำเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรฟังก่อนแล้วค่อยเชื่อหรือปฏิเสธเนื้อหาภายในอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหัวข้อ ก้รรมได้จริงหรือพบชาติมีจริงสิ่งมีจริงแต่เชื่อว่าไม่มีถือเป็นมิจฉาทิฏฐิจะบรรลุธรรมไม่ได้มีการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตมากมายจากทั่วโลกจนยอมรับว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริงการพิสูจน์ที่เด่นสุดคือการเดินทางทั่วโลกของศาสตราจารย์นแพทย์เอียนสตรีเวนสันซึ่งมีการทดสอบทดลองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการจดบันทึก และทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ล่าสุดก็ทำเป็นสารคดีเผยแพร่ระดับโลกนะครับการเชื่อเรื่องแนวนี้ต้องเชื่อแบบถูกต้องถึงเป็นประโยชน์แต่หลายคนเชื่อแบบงมงายขาดเหตุผลจนตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มคนหลอกลวงซึ่งอาจมาในคราผู้ทรงศีลหมอดูร่างทรงแก่กรรมเป็นคำให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นเพราะกรรมจริงๆแก้ไม่ได้แต่บรรเทาและเลื่อนส่งผลได้ ทำอะไรไว้จะส่งผลกลับให้เสมอมาเมื่อไหรขึ้นอยู่กับน้ำหนักกรรมจังหวะโอกาสเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนความดีชั่วที่ทำไว้มากมายรอสลับให้ผลเกินคาดเดาได้คนไม่ยอมเชื่อเรื่องกรรมเพราะเห็นคนทำชั่วได้ดีแต่นั่นคือความจริงเครึ่องเดียวถ้าย้อนอดีตได้อาจพบว่าคนชั่วชาตินี้เคยทำบุญใหญ่ชาติก่อนมามากแค่ไหน เกิดใหม่จึงรวยมีอำนาจมีโอกาสแต่บุญที่เคยทำซึ่งมักเป็นด้านให้ทานไม่ได้ประกันว่าจะเป็นคนดีเหมือนเคยจิตมนุษย์กลับกรอกคอยไหลลงต่ำผู้เป็นอริยะขั้นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่มันคงไม่ผันแปรจึงไม่แปลกที่คนแสนดีในอดีตอาจกลายเป็นมหาโจรปล้นชาติได้ในวันนี้การศึกษาธรรมะการรักษาศีล จึงเป็นบุญมากกว่าการบริจาคเงินเป็นล้านทุกวันตลอดชีวิตเพราะศีลและความรู้แจ้งในธรรมจะช่วยให้ไม่ต้องเกิดมาเผลอทําบาปด้วยความประมาทในพื้นฐานบุญเก่าที่เคยมีนั่นเองทําบุญด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ก็ได้ผลบุญไม่บริสุทธิ์ทําหวังผลให้ตัวเองขอให้รวยขอสารพัดครั้นบุญให้ผลจนรวยและยิ่งใหญ่ได้ตามปรารถนาแต่ทําบุญด้วยความโลภ ก, ก็ได้ความโลภตามมาด้วย เราจึงได้เห็นบางคนรวยแต่ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวอยากได้ไม่สิ้นสุดซึ่งคนรวยมีอำนาจมีโอกาสทำชั่วได้ผลกว้างกว่าคนจนหลายเท่าการทำบุญบางอย่างชาติหนึ่งอาจเพื่อกลับมามีโอกาสทำบาปใหญ่อีกชาติหนึ่งผลจากบาปส่งต่อไปนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ออีกหลายร้อยชาติกว่าจะรอจังหวะมีพ่อแม่ที่เหมาะสมเพื่อเกิดเป็นคนได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้ง ก็รอกันจนลืมไปเลยว่าเคยทำชั่วไว้มากแค่ไหนประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกปีก็จริงแต่วิญญาณต่างพบภูมิที่รอเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากกว่าคนทั้งโลกจนประมาณไม่ได้เช่นกันมองให้ลึกจะเห็นว่าการทำบุญไม่ถูกทางไม่ครบด้านอาจส่งหายนะในชาติต่อไปได้อย่างน่ากลัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรักษาศีลให้อภัย จึงมีอานิสงส์กว่าการบริจาคเงินเป็นล้านการเจริญสติทําไมเป็นบุญสูงสุดในแง่การให้ทําไมให้ธรรมะที่ถูกต้องถึงชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะสอนให้คนรู้จักอภัยให้ทานรักษาศีลเจริญสติเป็นจุดเริ่มต้นในบุญทุกด้านเมื่อให้ปัญญาที่ถูกต้องกับผู้อื่นจะได้ปัญญาที่ถูกต้องกลับมาเช่นกันจิตสว่ามีปัญญาในธรรมะ เกิดใหม่ถ้ารวยก็รวยอย่างมีสุขรู้จักเผื่อแผ่ช่วยเหลือเข้าหาธรรมะได้ง่ายถ้าเกิดมาจนก็จนอย่างรู้จักพออดทนขยันขวนขวายพัฒนาตนจนกล้าพ้นความตกต่ำได้ง่ายเศรษฐีหลายคนเคยล้มหมดตัวหรือยากจนแต่เพราะปัญญาและใจเท่านั้นจึงสามารถฟื้นพลิกชีวิตได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดว่าจิตเยือกเย็ยนผ่องใสมีสมาธิ มีผลต่อคลื่นสมองให้วิ่งช้าลงเป็นระเบียบนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแต่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ลึกพอว่าที่ฉลาดจนแก้วิกฤตและเจอช่องทางรวยได้ไม่ใช่แค่สมองแต่เพราะบุญที่เคยทำถูกด้านส่งให้ใจสู้และคิดเป็นรู้จักเลือกช่องทางให้ตนถูกต้องรู้จักสู้หรือถอยในสิ่งที่ควร คนขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยและอะไรดึงให้ขยันผิดที่อยู่อย่างนั้นการศึกษาธรรมะคล้ายเล่นหุ้นถ้าข้อมูลดีกว่าลงทุนน้อยแต่ทำถูกที่จะได้กำไรมากกว่าธรรมะไม่ได้สอนให้อยากรวยแต่เป็นความจริงว่าเมื่อปฏิบัติถูกต้องจะส่งให้รวยได้อย่างมีความสุขนำสู่การปล่อยวางได้ง่ายในบ้านปลายครูบาอาจารย์สอนว่าคนประสบความสาเร็จในชีวิต มีพร้อมในทางโลกเมื่อบวชจะเจริญได้ง่ายเพราะเต็มอิ่มและสิ้นสงสัยว่าสุขทางโลกแค่ของปลอมพระพุทธองค์เองก็ส่งมีพร้อมทุกอย่างก่อนมาบวชนะครับความขยันอดทนต่อสู้ปัญหาในงานจะติดนิสัยส่งถึงความเพียรในการปฏิบัติธรรมด้วยธรรมะเบื้องต้นสำหรับครวะคือขยันในงานที่สุดจริตทาชีวิตให้ดีดูแลพ่อแม่ครอบครัว มันสะสมธรรมะพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปตามลำดับขั้นแต่เรามักเอาธรรมะระดับอรหันต์มาสอนคนเพิ่งเริ่มต้นจึงเข้าใจยากและทำตามไม่ได้คำว่าอารหรนันต์นี่อ่านผิดกันเป็นว่าอารหันต์กันเยอะมากนะครับกรรมแก้ไม่ได้ก็จริงแต่เจือจางหรือยืดเวลาส่งผลได้กรรมชั่วเหมือนยาพิษกรรมดีเหมือนน้าเปล่า ยาพิษหนึ่งช้อนใส่น้ำเปล่าหนึ่งแก้วกินแล้วอาจตายทันทีแต่ยาพิษหนึ่งช้อนใส่ในสระน้ำอาจไม่ส่งผลทั้งที่ยาพิษเท่าเดิมความชั่วที่สะสมมาแต่ชาติก่อนถูกเจอจางได้ด้วยการทำดีแต่ต้องมีปริมาณมากกว่าอาจเป็นล้านเท่าแต่ไม่ใช่ว่าผลกรรมชั่วจะหายไปยังรอให้ผลเมื่อบุญหมดหรือสบโอกาส อยากแก้กรรมต้องเริ่มที่หยุดทําบาปใหม่ทั้งปวงรักษาศีลที่เริ่มต้นเฉพาะที่ทําได้ทีละข้อก่อนก็ได้นะครับและทําความดีให้มากที่สุดเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ทํานิดหน่อยก็คิดว่าทํามากแล้วและบุญแต่ละอย่างมีผลต่างกันการทําบุญด้านเดียวแม้จะมากมายไม่ได้ประกันว่าเจอจางกรรมชั่วที่ทําไว้หลากหลายได้บางคนประมาทว่าชีวิตนี้ไม่ได้ทําชั่ว ปล่อยชีวิตเสพสุขไปวันๆก็ไม่ต่างกับตั้งน้ำเปล่าผสมพิษไว้น้ำจะค่อยระเหยเหลือแต่สารพิษสุดท้ายก็รับกรรมเต็มๆ